แบบโอ้เวลาละฮอรอยขอโทษค่ะพารดอนนกี่โมงแล้วคะลาคิอมาฮอร์เอสตสมิเตตส ขอบคุณมากค่ะมูลต่างกันมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกามันเป็นเวลาสองนาฬิกา dua. มันเป็นเวลาสามนาฬิกา Estas TRIA มันเป็นเวลาสี่นาฬิกามันเป็นเวลาห้านาฬิกามันเป็นเวลาหกนาฬิกามันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา มันเป็นเวลาแปดนาฬิกามันเป็นเวลาเก้านาฬิกามันเป็นเวลาสิบนาฬิกามันเป็นเวลา สิบเอ็ดนาฬิกามันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง a v า s d u d ส k kvar h ่ r o ม n